เริ่มต้นจากท่งนี้ไปนะอาจารย์สรุปคุณไว้เป็นคนสรุปคนสุดท้ายหลังจะได้เก็บุมบัติทั้งหมดแล้วอาจารย์สุปคุณก็จะมาแชร์ให้คนอีกทีหนึ่ง น, นั่นเริ่มจากคุณพิมพนะ์เนาะกราบนมัสการพระอาจารย์หลวงพี่ทั้งสองรูกท่านอาจารย์ประภาภัสแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีญาติธรรมยาติญาติญ า, า, าติธรรมทุกท่านคะ่ะ ก็มาปฏิบัติธรรมกับสถาบันอาสมศินเป็นครั้งที่สองแล้วขอพระคุณท่านอาจารย์ประพาภัสและสถาบันอาสมศินค่ะที่อนุญาตให้เราบุคคลภายนอกได้มาฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย mm hmm. ก็ในการปฏิบัติแต่ละวันนะคะ mm hmm. ก็จะเกิดอารมณ์มาทดสอบเราเนี่ยไม่เหมือนกันเลยสักวนันวันแรกทุกคนก็ต้องเจอเหมือนกันก็คือง่วงเมื่อย ทำลองเนี้ยค่ะพอวันต่อมาก็ทดลองดูเวทนาจับเวทนาได้ทั้งหมดสิบระดับถามว่าดูยังไงก็ต้องนั่งนั่งท่าเดียวจนกว่าจะเมื่อยจนทนทนไปจนถึงที่สุดอะคะ่ะก็จะรู้ว่าเวทนามีที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ระดับแต่ละคนก็จะแบ่งระดับ ของใครของมันให้ไปคิดเอาเองค่ะพอหลังจากนั้นก็จะต้องเปลี่ยนท่าเมื่อเราดูเวทนาเราก็จะได้อารมณ์ในการปฏิบัติก็จะทำได้มีสติมากขึ้นวันนั้นน้องวันก็จะตื่นตัวไม่ง่วงไม่เมื่อยค่ะก็เล่ารวมๆนะคะก็อยู่วันหนึ่งก็ เหมือนบอกว่าเออเรารู้สึกตื่นตัวแล้วก็มีความตั้งใจมากเลยก็เลยนั่งปฏิบัติอยู่เนี่ยยกมือสิบสี่จังหวะก็รู้สึกเออมันรู้ไปทั่วทั่วตัวรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็เหมือนกับเออเรามีสติอะคะ่ะเรามีสติรู้ว่ามือเราเคลื่อนเรานั่งนั่งเนี่ยมีแรงกดทับ เนี่ยคือในความรู้สึกของตัวเองนะคะก็เข้าใจว่าตรงนี้คื อ, อ, อตัวรู้ตัวที่หนึ่งแล้วก็ขณะเดียวกันก็รู้ถึงลมหายใจเข้าออกลมหายใจออกที่ยาวลมหายใจเข้ายาวสักพักเอ๊ะทำไมหายใจเข้ายาวแล้วก็หายใจออกสั้นก็ดูไปเรื่อยดูไปอ๋อที่แท้เรา เวลาเราหายใจออกเนี่ยเราผ่อนเร็วมันก็เลยสั้นก็เนี่ยก็เลยว่าเออมันน่าจะเป็นตัวรู้ตัวที่สองในขณะเดียวกันก็คือมีลมพัดมาทางหน้าต่างประทะหน้าเนี่ยก็รู้สึกถึงความเย็นรู้สึกเหมือนขนที่ใบหน้าเนี่ยมันตั้งชันมันวิบวิบวิบวิบอะไรเงี้ยก็เออมันคือตัวรู้ตัวที่สามอันนี้ เป็นความเข้าใจของตัวเองอะนะคะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าค่ะก็คือเกิดความเกิดตัวรู้เนี่ยสามตัวพร้อมกันเมื่อลมหยุดพัดปุ๊บสาเหตุทําไมถึงคิดว่ามันเป็นคนละตัวเป็นตัวรู้คนละตัวเพราะว่าเมื่อลมหยุดพัดปุ๊บไอความเย็นบนใบหน้าตัวรู้บนใบหน้าที่รู้สึกเหมือนขนตั้งชันเนี่ยมันหายไปก็รู้เอ้ยเอตัวรู้ตัวเนี้ยตัวที่สามเนี่ยมันหายไปอปฏิบัติไปสัก ประมาณแค่เสี้ยววินาทีค่ะตัวรู้มันก็ค่อยๆจางเพราะว่ามันมีเวทนาเกิดขึ้นมันเริ่มเมื่อยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยปวดเอวปวดหลังก็คือแบบเออก็เลยเข้าใจว่าเออเนาะความสุขมันก็ไม่เที่ยงความทุกข์เ น, นี่ยมันก็ไม่เที่ยงเพราะว่าอะไรที่เราเปลี่ยนอริยบทเนี่ยความทุกข์ก็เปลี่ยนไปละเปลี่ยนจากปวดหลังก็จะไปปวดปวดที่อื่นแทนอ่าแล้วมีอยู่วันหนึ่ง นั่งอยู่ข้างบนอากาศร้อนค่ะก็ชุดปฏิบัติธรรมก็หลายชั้นก็เลยแอกว่าอากาศร้อนนะคะใจมันก็ร้อนด้วยทีนี้ดูใจแล้วก็เออมันร้อนนะแล้วก็เปลี่ยนอริยาบทเดินมั่งนู่นนี่มั่งเดินข้างบนมั่งเดินข้างล่างบ้างเสร็จเนี่ยก็วันนั้นก็คือติดอยู่ในอทุพค์กรรมสุขก็คือแต่ว่ามัน ทุกมันก็ไม่ใช่จะว่ามันสบายมันก็ไม่ใช่นั่งปฏิบัติไปเออก็รู้นะว่าเออเราติดตรงนี้พยายามเปลี่ยนเปลี่ยนอริยบทอยู่ตลอดแต่ว่าเออก็สงสัยเอ๊ะเราลองเดินดูเดินจงกรมไม่ติดรู้สึกว่าเออปฏิบัติเราได้อารมณ์รู้สึกถึงเาการรับรู้ของฝ่าเท้าจากตอนแรกเนี่ยสมมตินี่เป็นฝ่าเท้านะคะเราจะรู้ถึงแค่เขาเรียกอะไร ส้นเท้าแล้วก็ปลายเท้าอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอแบบเหมือนเรามีสติมากขึ้นมันก็จะรู้กว้างขึ้นเหลือแค่ส่วนเว้าแหว่งก็คือรูปรูปเท้าที่ที่มันจะมีส่วนเว้าตรงเนี้ยที่ที่จับไม่ได้เพราะมันไม่ได้กระถกพื้นก็เออรู้นะว่ามันมีสติรับรู้การกับสัมผัสกับพื้นเนี่ยมากขึ้นเดินจนเมื่อยไรเงี้ยก็เปลี่ยนมานั่งอีกนั่งก็ ติดอยู่ในอันทุกขคอมัสุขเหมือนเดิมก็เป็นอย่างนี้ค่ะจนจนถึงช่วงเย็นเออก็ก็ไม่หลุดกับการนั่งที่ติดอัทุกขคอมัสุปนะคะทั้งทั้งที่เราก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสถานที่แล้วเปลี่ยนท่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เลยรู้ว่าหลังจากที่เราไปอาบน้ํากลับมาเนี่ยเออมันหลุดมันหลุดแล้วก็กลับมานั่งปฏิบัติตอนช่วงที่ฟังฟังเทศช่วงเย็นเนี่ยหกโมงเย็นไปเนี่ยเออทําได้ มีสติมากขึ้นก็ต่อมาพระอาจารย์ก็ให้ดูความสบายเพราะเราดูไม่สบายแล้วความความสบายก็จะคล้ายๆกับความไม่สบายแล้วถามว่าดูความสบายยังไงก็นี่ความเข้าใจของตัวเองนะคะก็ลองทุกท่านลองยกมือนะคะลองยกมือแล้วก็ดัดดัดมือไปด้านหลังแบบอย่างเงี้ยค่ะ ค้างไว้สักพักนะคะเก็งไว้ค่ะแล้วก็ลองปล่อยรู้รู้ไหมคะว่ามันเกิดความสบายผ่อนคลายจะค่อยๆเพิ่มเพิ่มขึ้นเนี่ยนี่ก็คือดูความสบายแล้วก็เออยังไงมันก็เหมือนเป็นอันนี้จังเนาะเพราะว่าเรากดมือไปด้านหลังปุ๊บพอเราผ่อนมันก็สบายแล้วถ้าเกิด เราไม่ไม่ยกมืออย่างเงีเ้ยแล้วบางทีเราไม่สะดวกที่จะยกอะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองเอานั่งทํามืออย่างเงี้ยว่าเออตอนเราจะหงายมือไปด้านหลังอย่างเงี้ยแล้วเราพลิ ก, ม, กมือกดมือมาด้านหน้าทุกท่านลองกดดูนะคะกดกดให้แน่นๆนะคะกดไปสักพักแล้วพอเราผ่อนเราก็จะรับรู้ถึงตอนแรกคือพอเรากดเราเจ็บถูกไหมคะสักพักเราเจ็บ พอเราผ่อนล้วก็จะรู้สึกถึงความสบายหมายก็คืออันนี้จังถูกไหมคะคือความไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงก็ก็ทําไม่คิดได้ค่ะก็เดี๋ยวก็คือหลังจากที่มาปฏิบัติเป็นครั้งที่สองนะคะก็มีความรู้สึกเ อ, อว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกค่ะมีสติมากขึ้นต้องต้องใช้ว่าตัวเองมีสติมากขึ้น เเก็บวรรบาศค่ะหนูเก็บวรรบาศค่ะเก็บวรรบาศน้อยแต่หวังว่าจะได้ในอนาคตค่ะขอบพระคุณค่ะถ้าหากว่าจะไม่เป็นการําบากนี่อยากจะให้เล่าความฝันที่เล่าให้หลวงพ่อฟังได้ไหมอไโอเคเอขอเล่าเรื่องความฝันนะคะอันนี้เป็นอา น, นิสงส์ของการโ ม, มทนา การแผแ่เมตตาค่ะ อ, นนอันนี้ส่งของการแผแ่เมตตาซึ่งปกปกติอะไรเงี้ยก็เดจะเป็นคนที่มีอะไรพิเศษอยู่ประมาณเนี้ยนะคะก็พอดีได้นอนเดินไทยเดินไทยเนี่ยก็รับรู้ได้ถึงพลังทรงพลังแล้วก็มีหญิงสาวอะไรทำนองนี้ก็ขำขำนะคะขำขำอะไรเงี้ยคือก็เลย ทุกครั้งที่มานอนอนะคะก็จะแผ่เมตตาแล้วก็สังเกตดูมันมีตุ๊กแกมันมีตุ๊กแกอยู่บนหัวนอนคะ่ะแล้วก็มันไม่มันไม่เดินทางไหนแล้วมันเดินทางหนูมันเดินอยู่บนหัวหนูแล้วคืนแล้วหนูก็กลัวมากเลยแล้วแบบก็เลยแผ่เมตตาให้เขาคะ่ะเดี๋ยวตุ๊กแกเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าทีหลังแล้วก็เห็นนะก็คือแผ่เมตตาให้อยู่ม า, ามานหนึ่งหลวงพ่อแท่นนำสวดที่จะยาวหน่อยอะคะ่ะยาวหน่อยแล้วก็ รู้สึกว่าอ๋อวันนี้เป็นวันที่แบบเหมือนเราเ อ, อปฏิบัติได้ดีนะอะไรเงี้ยได้อารมณ์ก็แผ่เมตตาแต่ว่าแผ่ให้เออเจ้าที่เจ้าทางที่ลูกมาอาศัยปฏิบัติธรรมค่ะก็คือณโรงเรียนแห่งนี้ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมาแมลงเล็กน้อยใหญ่กระตงกระต่ายตุกแกอะไรเงี้ยจิงจบทุกอย่างอะค่ะ อ, อ่แผ่ให้ก็ พูดเรียนแบบตามหน้าหน้านะคะตามบทสวดอะไรเงี้ยจําได้บ้างไม่ได้บ้างพอตกกลางคืนก็ฝันฝันว่าตัวเองกําลังจะเดินกลับที่พักก็จะเป็นทางเหมือนระเบียงไม้อย่างเงี้ยค่ะที่เราเดินตรงกรมเลยนะคะก็เจองูงูตัวเล็กสีดำํำก็เออเลื้อยมาอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ตกใจว่าเราเหมือนเดินเข้ามาในที่ของเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เิดนเราเคยเขาก็อยู่แล้วเขาก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็บอกเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกเขาไป mm. เขาก็หลบไปพอเราเดินไปอีกสองสมเกเราก็เจอเออลืมเล่าว่า ง, งูเอ ง, งูตัวเล็กเนี่ยค่ะเราก็มองแบบในฝนันเราก็มองว่ ง, งูตลกจังเลยอ่ะสีเป็นนินค่ะนินคืออัญมณีอ่าเป็นสีของนินค่ะเก็ตเป็นอัญมณีแล้วก็เดินต่อไปเนี่ยก็เจองูตัวใหญ่เหญ่ท้งขาค่ะใหญ่มากแต่เป็นงูนะคะ อสีเขียวมีเกร็ดเป็นอัญมณีสวยงามมากค่ะแล้วก็เราก็หยุดท่านก็บอกมอนเหมือนมารออะค่ะมารอเสร็จท่านเห็นเราเดินมาก็เหมือนเลื้อยแล้วก็ชูอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าในฝันก็แบบ อ, อุ๊ยเหมือนมักอาดมากเลยพูดบอกว่าพูดกับท่านอะค่ะบอกเรามาปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยท่านก็เงี้ยแล้วก็กเรา เพียงสะสมบารามีก็อย่างนี้แล้วก็ขอท่านันหลีกโปรดหลีกทางแล้วอนุโมทนาบุญกับเราด้วยก็กอย่างนี้แล้วเขาก็แล้วก็เหลือยหลงค้างทางอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าจริงจริงแบบตอนแรกก็เอ๊ะก็คือฝันก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะว่าเอ๊ะฝันเห็นงูแปลว่าจะเจอเนื้อคู่ ก็รู้ตัวว่าเราฝาดอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะเป็นไม่ใช่นี่ที่ได้ยินมาแบบเนื้อคู่มันต้องรักคือประมาณเนี้ยค่ะบอกเอ๊ะช่างมันนอนต่ออะไรเงี้ยขำขำค่ะขําำอ๋อเรื่องตุ๊กแกค่ะเรื่องตุ๊กแกนะคะก็อย่างที่บอกว่าคือแผนไม่ตายเขาทุกวันก็จะเอ่ยชื่อเขาว่าตุ๊กแกที่อยู่ในห้องทุกครั้งทีนี้มีวันหนึ่งเมื่อเมื่อคืนก่อนมาคะก็แผลลุมลัวมาค่ะ พรอาจารย์ท่านแนะนำบอกให้แผดรวมๆที่เราก็ไม่ได้เอ่ยถึงคําว่าตุ๊กแกที่อยู่ในห้องนอนพอนอนอยู่อ่ะค่ะมันคือหลับไปแล้วออสะดุ้งตื่นเสียงเดินเนี่ยค่ะตุ๊กแกเดินอยู่บนหัวจริงๆค่ะแบบที่หัวนอนอะคะ่ะไม่ได้ฝันค่ะตื่นแล้วตื่นแล้วแล้วเขาได้ยิยนเสียงเสียง เล็บเหมือนเล็บค่ะเหมือนเท้าที่กับพื้นไม้อย่างเงี้ยค่ะ<ด>ก็ก็บอกคุณแม่ที่นอนข้างว่าได้ยินเสียงเดินตุ๊กแกเดินเลยอ่พราบอกทุกคนในห้องว่าห้องนี้มีตุ๊กแกนะคะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เสร็จพอเมื่อคืนนะคะก็แผ่ไม่ตายเขาเอ่ยชื่อเขาว่าตุ๊กแกที่อยู่ในห้องนอนไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเสียงเดิน ก็เลยบอกเออตุ๊กแกตัวนี้ตลกเพราะว่าครั้งแรกอะคะ่ะที่มานอนในห้องอะคะ่ะอาจารย์ประพาพัฒมาคืนที่หนึ่งก็จะมีเออหนึ่งกองคืนที่สองก็มาม า, มาห่วงที่ะคะ่ะสองกองแล้วอยู่กี่วันเขาก็มาเออๆๆๆวนับเม็ดได้เลยะคะ่ะก็แบบ มีวันครูจุ๋มก็เมตตานะคะนอนเป็นยังไงบ้างคะแขกสบายดีไหมอ๋อคะพี่สบายดีมากเลยแบบสะอาดสะอา้านห้องน้ําแบบเออใช้ได้สบายแต่หนูสงสัยมันมีเออเหมือน อ, อื้อจิ้งจกแต่ก้อนใหญ่อะ่ะเข้าใจว่าเป็นจิ้งเหลนบอกครูจุม๋มเมตตามากเลยตุ๊แกโอ้ตุกแกคหนูเออแต่หนูว่านอนกับตุ๊แกทุกคืนนะคะไม่ย้ายที่คะ่ะ ฝึกสติค่ะข่าศารก็อันนี้คือการแบ่งปันแต่ละคนก็จะมีอะไรไม่เหมือนกันนะไอ้ความไม่เหมือนนี่เองก็จะทําให้เราได้คิดว่าอย่างนี้ก็มีอย่างนั้นก็มีแต่แล้วมันก็เป็นในหลายมิติที่เราต้องศึกษาว่าถ้าเรามาปฏิบัติน่ะมันมีทั้งความจริงและความฝันและความจริงของฝันบางบางอย่างก็จริงบางอย่างไม่จริงแต่เราคนรับฟังและศึกษาไว้เพื่อที่จะให้เห็นว่าจิตวิญญาณของเรามีหลายมิติ ถ้าเราจะมองในแง่ของ อ, อดีตอนาคตปัจจุบันเป็นอย่างไรนี่อันนี้ซึ่งช่วงหลังเรามีเวลาเราจะสรุปให้ฟังเอาต่อไปทัดท่านต่อไป